ออาเอ้ะรับีิสูงนูดูมันหายไปไหนแล้วเห็นวบแวบๆนี่นะเอ้เดี๋ยวๆหายไปแล้วสงสัยจะหายตัวได้เอเอจ้านี่เพ้อเจอใหญ่แล้วคนอะไรจะหายตัวได้นอกจากเพ้อเจออะไราตาไม่ดีซะอีก พระิกษุน่นจะไปไหนก็เข้าไปในบ้านหลังนั้นเลยงั้นเข้าไปกันไปดูให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้ทาแบบนั้นไม่ได้คืนทําอย่างที่จะว่านะจะรู้ความจริงได้ไงเมื่อเขารู้ตัวสิ่งที่เห็นมันเพียงฉาบหน้าเนื้อแท้เราไม่รู้อ่อะยังไงถึงจะเห็นเลื้อแท้แอบดูแอบบดูโนดน โ, นนโนย่องไปที่หน้าตา่างแล้วแอ บ, บดูที่หน้าตา่างนั่นเลยงั้นไปเลยไปบ๊าวบ๊าๆหน่อยบ๊าวบ๊าว ขึ้นไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเห็นเออเ<ห>จ้<น>เาฮะชายกาลังคนกับเด็กว่นนั่งกินอาหารกันอย่ากอร่ อ, อยอร่อยจ้ะเด็กนั่นท่าทางจะเป็นโรคนะหิวจัดด้วยกันทั้งคู่กินเอากินเอาแก้มตุยทีเดียวเดี๋ยวได้ติดคอกันมาคเออข้าสังเกตอะไรอย่างละเจ้าสังเกตอะไรไออาหารที่สองคนกินน่ะเด็เจ้าสังเกตหรือเปล่าเอกําลังสนใจอยู่เฮ้ มันอ่านที่แจกโรงทานนีกว่าก็จําจได้ไ ม, ม่ผิดเลยเออข้าก็จําได้นะ่ะอ๋อข้าพอจะรู้แล้วรู้อะไรทําไมพระภิกุรูร้งานจึงเข้ารับบิณฑบาต ท, ทั้งที่ท่านเศรษฐีนิมนต์ฉันแล้วนะ่ะเ อ, อที่รับบิณฑบาตเพราะต้องการเอามาให้สองพ่อลุกนี่นี่ใช่อ่ะข้าว่าไม่ผิดแน่เอและทําไมต้องเอามาให้ก็ไปรับแจกเองไม่ได้หรือไงนะนั่นสิมันน่าสงสัย แบบนี้มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนั่นแน่แล้วปลาพิศูรูปนั้นไปไหนเสีเนี่ยเอ่ยกำลังมองดูอยู่นี่นะคงเอาอาหารไปให้แล้วก็เลยไปพักบอลเอางี้เอาง่าเพื่อความกระจ่างชัดนะกลับไปรายงานท่านเศรษฐีได้ถูกต้องเราควรเข้าไปซักถามสองพ่อลูกนั่นเชื่อว่าที่สงสัยคงจะคลี่คลายเอ่หรือว่าไงเออไม่ว่างหรอกเอาอย่างที่เจ้าว่านั่นแหละดี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 เพื่อให้คาหิวทุกวันนี้กินเพื่ออยู่เท่านั้นอเชิญเปล่าล็อกท่านเข้าใจผิดเราสองคนไม่ได้คิดจะมาแย่งอาหารของท่านเรื่องกิน่ะเราอิ่มหนำสำราญกันมาแล้วที่มาเนี่ยก็อยากจะมาถามอะไรท่านสักหน่อยนึงอยากคิดว่าเป็นการรบกวนอะไรเลยนะ่นะแฮ้คือไม่เจ้ามาได้คิดเลยท่านมีเรื่องอะไรล่ะเด็กคนเนี้เห็นที่จะเป็นลูกท่านแน่แท้ถูกแล้ว เด็กคนนี้คือลูกของข้าพเจ้าออืทําไมเหรอเห hey, น่ารักตัเห็น ด, ดูถ้าว่าเสียดเสียวไปหน่อยเอ็ดท่านเป็นใครมาจากไหนเอ่อข้าพเจ้าเป็นคนยากจนเข็นใจชื่อกัจจายนะมาจากหมู่บ้านเพรวคามอมอืแล้วอาหารที่กำลังกินอยู่นี่ท่านได้มาจากไหนเพระภิกษุรูปนั้นนํามาให้ข้าพเจ้าท่านรู้หรือไม่ว่ามีการแตกทานที่โรงทานท่านเรษีกับเป็น ข้าพเจ้าทราบท่านรู้แล้วทำไมท่านไม่ไปรับทา น, ทานเองที่โรงทานเอ่อข้าพเจ้าไปไม่ไหวไม่สบายเปล่าข้าพเจ้าขาเจ็บจากการเดินทางไกลจนเดินไปไหนไม่ได้แต่นี่ก็เกือบจะหายแล้วอีกสองวันก็คงหายเป็นปกติแล้วข้าพเจ้ากับลูกจะไปรับทานที่โรงทานเองเราพระพิกษุรูปนั้นไปอะไรกับท่านเดไม่ได้เป็นอะไรกันอะ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 พ่อยังงงอยู่นี่แหละแปลออ้าวอย่าไปสนใจลูกกินต่อไปให้อิ่มเถอะ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 มีกรรมกรช่วยทำนาห้าคนขณะที่เดินตรวจดูนาเขาก็ฝันต่อไปว่าถ้ามีนาเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่ามีวัวห้าร้อยตัวมีข้าทาสบริวารร้อยคนมีคฤหาสน์หลังใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยเราคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังเขาก็มีสิ่งที่มุ่งประสงค์นั้นทุกอย่างคราวนี้เขาก็มีความสุขละนะท่านธรรมนะ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 ความอยากทำไมมนุษย์ต่อสู้ดินน้นรนอ้อขออภัยด้วยมุ่นคนของขพเจ้าจะไม่เรื่องมาบอกยืนรับรับรอรออยู่ที่นั่นเสร็จทุระแล้วขพเจ้าจะมาสนทนากับท่านต่อไปเชิญอุบาสก เจ้ามีเรื่องจะมาในงานท่านเศรษีเจ้าไปสืบดูแน่ชัดแล้วใช่ไหมแน่ชัดแล้วเห็นกับตาเลยทั้งยังได้ซักถามอย่างละเอียดถี่ท่วนแต่ไม่เห็นพระพิสุรูปนั้นมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าติดตามไปสักครู่เขาก็มาที่นี่ถ้าอ ย, ย่งางนั้นคงเป็นหลังจากที่เขาถ่ายอาหารจากบาดแล้วเจ้าคงเห็นอาหารที่เขาถ่ายออกจากบาดแล้วทีนะกำลัเจเห็นแล้วอืมคงตาดจมไม่เยอะ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 ก็รับบิณฑ บ, บาตมาให้สองพ่อลูกก็เลยไม่กดตายโอ้เพิ่งจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้เองโอ้เสียใจเสียใจจริงจริอา้าวท่านเศรีเสียใจเรื่องอะไรก็ที่ข้าพูดจาเสียสีกระทบกระเทียบท่านทีเออขานี่มันเร็วจริงๆเอาละข้าจะไปขออภัยท่านก่อน ผู้เจริญขพเจ้าขออภัยโปรดยกโทษให้ขพเจ้าด้วยเถิดอุบาสกทําผิดอะไรจึงให้อาตมายกโทษก็อนที่ขปเจ้าผู้จะกระทบกระเทียบเสียดสีท่านโดยไม่รู้ความจริงในการที่ท่านมารับบินธบาตสองเที่ยวขพเจ้าเพิ่งทราบจะขนของขพเจ้าเดียวนี้เองว่าทําไมท่านถึงมารับบินธบาตสองเที่ยว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 ไม่น่าเชื่อเจ้าว่าไงข้าก็ไม่รู้จะว่าไงนะ่ะเพราะเรื่องที่จะพูดขึ้นมานั้นะข้ายังไม่รู้เลยว่าพูดเรื่องอะไรอ้าวไม่รู้เหรอแห hey, นะเรื่องก็รู้แล้วสิข้าหมาสิะพูดวิเศษนี่จะได้รู้ไปเสียหมดทุกอย่างทุกเรื่องแม่แค่นี่กระทำส่วนเสียวไว้ปที่ก็ว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยก็เรื่องท่านเศรษฐีนายของเราอ่ะท่านเศรษฐีทําไมตอนเนี้ท่านกลายไปดูบาศกไม่พระพุทธศาสนาไปแล้วอ้าว ไห้เปลี่ยนใจไปไง่ายๆอย่างนั้นละ่ะไม่น่าเชื่อก็ข้าบอกแล้วไงว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคงมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาดนใจท่านอะมะั้งน่านละของแน่อยู่แล้วเจ้าพูดเหมือนกับว่าเจ้ารู้แล้วงั้นแหละใช่ข้ารู้แล้วรู้ว่าอะไรมาดนใจท่านเศรษฐีอะไรน ะ, ะการสงเคราะห์มนุษย์ผู้ตกยากด้วยจิตเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์ของพระพิสุรูปนั้นท่านเศรษฐีก็เลยเปลี่ยนใจและใช่ว่าความเมตตาของพระพิสุรูปนั้น จะก่อให้เกิดผลดีประการเดียวยังเกิดผลดีอีกประการหนึง่งอีกประการนึ่งอะไร่ะไปฟังพระเจดียพูดสิล้วจะรู้เอง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 กระป้าเจ้าจัดทะเบียนบรรทุกเงยนมากมายพอที่จะเรียงคนสามคนได้เป็นอย่างดีทีเดียวขอบใจอุบาสกอัตอมาขอลา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 อาตมา ย, ยังจำเรื่ที่เล่าได้ดีเท่าที่มาที่นี่ก็เพราะคนผู้นี้มีอะไรเหรอท่านสมณะอย่าเพิ่งสนใจซักถามตอนนี้เลยเพราะต่มองไปทางไหนมันเงียบเงาไม่มีผู้คนบ้านเรืองร้างไปหมดและทําไมบ้านมันติยพรามผู้คนจึงได้คึกคักคับข้านขนาดนั้นญาติพี่น้องของพราหมณ์นั้นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ญาติพี่น้องหรอกท่านสมณะงั้นก็คนมาพักอาศัย ก็ไม่ใช่อีกนั่นลหละไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนพักอาศัยงั้นพวกไหนกันละ่ะทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นทาตทาตถูกแล้วท่านสมณะผู้คนที่เห็นคือคักมากมายนั้นก็คือชาวบ้านที่ตกมาเป็นทาตสสำหรับครอบครัวของมันติยาภามมีเพียงทิดาสาวคนหนึ่งบุตรชายคนหนึ่งและพญาอีกคนหนึ่งเท่านั้นนอกนั้นก็มีคนใช้สนิทเก่า แ, แก่อีกประมาณสิบคน ทุกคนเป็นที่ไว้วางใจของพราหมณ์ได้รับมอบหมายให้ทำงานต่างๆที่สำคัญก็คือคุณบรรดาพวกทาตเราไปรไปให้มรำไรนี่อะไรกันะมาล้อมทำไมรรไปพวกท่านเป็นใครมาล้อมไว้นี่นะข้าเป็นคนของมันทีอภรรษ ท่นให้มายึดเอาเงินสมเด็จทั้งหมดนี่ใช่เพื่ออะไรจะมายึดเอาของข้าพเจ้าไม่ได้นะข้าพเจ้าไม่ยอมนะไม่ยอมก็เจ็บตัวเท่านั้นอย่าดีกว่าอยากขัดเคิรนแข็งข้อกับท่านพราหมณ์กกมีแต่เสียมีแต่เจ็บตัวใช่หรือไว้เป็นดีที่สุดทำให้ท่านมันเตยพราหมณ์ต้องทำกับข้าพเจ้าอย่างนี้แหละลืมไปแล้วเหรอวนรับวันนี้ท่านอยู่ดอกก็ไม่ส่ง ท่านไม่เอาเรื่องเลยดีที่สุดแล้วแต่ท่านก็ยึดนาไปแล้วนะไอ้มันค่มกันที่ไหนเล่าเฮ้ยพวกเราเฮ้ยห้อวียนไปเลย้ยอย่านะแม่แม่อยให้เข้าไปเถอะกัดใจยานะให้พวกมันออกไปง่ายงอย่างนั้นเหรอท่านสมณะไม่เี่ของเข้าไปเจ้าไม่ใช่ของมันนะให้มันไปได้ยังไงง่ายๆอย่างนั้นอ่ะแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าขัดขวางนิแต่จะเจ็บตัวของก็ถูกเขาเอาไปจนได้อยู่ดีลอยให้เขาเอาไปเถอะ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 ลูกของท่านจะต้องร้องไห้เพราะความหิวจริงสิลูกจะต้องร้องลูกอาจจะตายท่านจะทนเห็นลูกตายไปต่อหน้าได้หรอไม่ได้เทพเจ้าทนดูไม่ได้เาพเจ้าตายซะดีกว่าที่จะให้ลูกตายถ้าอย่างนั้นก็มีวิธีเดียวด้วยการเป็นทาสใช่ไหมท่านธรรมะถูกแล้วเพื่อความอยู่รอดของท่านและลูกยอมเป็นทาสเขาเถิดเทพเจ้าและลูกไปเป็นทาส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 สวัสท่านมันติยะเจ้ามาหาข้าทําไมกัจเจียนะเขพระเจ้ากับลูกจะมาขอพึ่งท่านโปรดเมตตาด้วยพึ่งข้าก็ต้องทํางานให้ข้าน่ะสิเขพระเจ้ากับลูกจะทํางานให้ท่านทํางานให้ข้ามันก็หมายความว่าเจ้ายอมเป็นทาาข้าใช่ไหมถูกแล้วเขพระเจ้ายอมเป็นทาาท่านมันก็แค่นั้นในที่สุดเจ้าคนนี้กลายเป็นทาาข้าไม่พ้น ไม่ทราบว่าท่านจะรับเขาไวเจ้าเป็นทาดหรือไม่รับสิข้าองการตัวเจ้ามานาแล้วเจ้าทำงานให้ข้าข้าก็จะให้อาหารแก่เจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าเป็นทาดข้าแล้ว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 เขาต้องการตัวท่านเป็นทาสเมื่อท่านไม่มีอาหารไหนเลยจะทนอดอยู่ได้ยังไงก็ต้องสมสารมาหาเขาในที่สุดก็เป็นความจริงแต่ที่มาเนี่ยยังไม่ทันอดนะท่านจริงมาเสือก่อนก็ดีแล้วมันตปยายะจะได้ไม่กลั่นแกล้งท่านมากกว่าดีเดชนั่นนักบวชที่ไหนอะไม่เคยเห็นมา ก, ก่อนเลยอ๋อพระภิกษุเขาพระเจ้ารู้จักดีเรามาใส่บาตรกันเถอะ นิมนก่อนท่านสมณะอุบาสกกัจจายนะท่านก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันเป็นทาสเขาตื่นสายไม่ได้เขพระเจ้าตื่นขึ้นมาทำงานแต่เช้ามืดแล้วรวมทั้งเพื่อนทาสทั้งหลายพอสุขสบายดีไหมพอสมควรกับการเป็นทาสรวมทั้งบุตรชายเขพระเจ้าด้วยดีแล้วจงอดทนนะอุบาสกเขพระเจ้าจะอดทนชาวนี้ดีใจที่ท่านมาบิณบาต ข้าพเจ้าขอใส่บาตด้วยอาหารเล็กๆน้อยๆที่ได้รับปันส่วนพร้อมกับเพื่อนร่วมทาสอาหารส่วนนี้เป็นของข้าพเจ้าที่ได้รับหมายความว่าท่านแบ่งอาหารของท่านให้อัตมาและท่านเจอะพอกินเหรอข้าพเจ้าพอกตเจล่ะไายต้องการพบรีบไปหาแล้วนายต้องการพบข้าพเจ้าเรื่องอะไรรู้ไหมอย่ากูไปถามเองเขาไม่มีหน้าที่ทำ แล้วไม่จำเป็นที่นยายจะต้องบอกข้าด้วยเร็วกว่าจะชักช้าถูกดูควาไม่รู้นะอ๋อข้าขอบอกอยู่จังนายเขายืนดูเจ้าใส่บาทอยู่นานแล้วสีหน้าดูมันจะไม่พอใจเอามากๆก็คงจะเป็นเรื่องนี้มั้งรีบไปสิข้าพระเจ้าไปก่อนละท่านสมนะครุ่งนี้ขอนิมนต์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 ขพระเจ้าพบท่านในระหว่างทางเลยให้ท่านอาศัยเดินทางมาด้วยตอนนี้พักอยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมถูกแล้วนายท่านท่านพักอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็จะเดินทางต่อไปข้าไม่อยากให้เขาอยู่ในหมู่บ้านของข้าดูท่าทางของมัณฑยพราหมณ์ไม่พอใจเอาอกมา ก, มากสีหน้าถึงเครียดจริงสินะปกติกตเขาเป็นคนเติร์นีไม่เคยทําบุญให้ทาน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 ที่ข้าพูดเนี่ยเจ้าเข้าใจไหมกาจเจยนะเข้าพเจ้าเข้าใจแต่นายท่านเขาพเจ้าเอ่อเจ้ามีอะไรข้องใจอยู่เหรอฮะเอ่อเขาพเจ้าเชื่อว่าภิกษุรูปนี้คงอยู่ที่นี่ไม่นานนักท่านก็จะเดินทางไปกรุงปารีสแล้วเขาพเจ้ากับภิกษุรูปนี้เอ่ออะไรของเจ้ากาจเจยนะเออเราร่วมเดินทางกันมานานเคยได้อาศัยกัน